กรับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับพระเจาพระหมหาภัยบุญอภิปุณโนจากวัดป่า ด, ดอนหายโศกอําเภอดอนอานจังหงวดหัดอุดรธานีมาพูดคุยเรื่องราวที่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนนี้เป็นสิ่งที่บริสุทธิ์บริบูรณ์บริสุทธิ์ทั้งตัวคําสอนเองที่เป็นเรื่องที่ดีเรื่องงามตัวมันเองดีแล้วไปอยู่ที่ไหนไหนก็ทําสิ่งที่มันไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยให้มันดีด้วย นี่คือลักษณะคนธรรมะที่ตัวเองดีแล้วไปอยู่ที่ไหนก็ทําคุณอื่นดีด้วยตัวผู้บอกผู้สอนก็เป็นผู้ที่ดีด้วยในอยังบทพุทธคุณที่เราสวดสวดกันอิติปิโสพระกวาอารังสัมมาสัพพุทโธนี่เดี๋ยวเป็นการประกาศคุณงามความดีของโพทธเจ้าซึ่งความดีในข้อแรกนี้เลยคือความเป็นผู้ที่ไกลจากกิเลสไกลจากกิเลสมันดียังไงมันดีตรงที่ว่าไม่ต้องไปตกเป็นตามอำนาจของกิเลสไงกิเลสมันก็จะดึงเราไปในทางต่ําทางไม่ดี เราไปต่ำไปไม่ดีมันก็ไม่ดีแต่เมื่อพ้นจากกิเลสแล้วก็จะไปสูงไปทางดีอันนี้เป็นความดีผู้สอนเองก็ดีตัวธรรมะเองก็ดีธรรมะนั้นไปอยู่ที่ไหนแล้วมันก็ดีนี่จะเป็นสิ่งดีสิ่งงามที่เราฟังเราทําเราปฏิบัติเป็นสิ่งแรกของชีวิตผูา้าได้พูดถึงการฟังทมตามการเป็นมงคลอย่างยิ่งฟังแล้วเป็นมงคลในชีวิตทีนี้การฟังมากการทรงธรรมะเอาไว้ จำได้ในหลืบสมองอันนั้นดีมากเราก็น้อมเข้ามาใส่ตัวนั้นธรรมะที่อยู่ในสมองนั้นน้อมมาสู่ใจของเราการที่น้อมเข้ามาสู่ใจนั่นแหละจะเป็นการที่จะทำให้ธรรมะนั้นเข้าสู่ใจเป็นการที่จะทําให้เราเข้าถึงประโยชน์ของธรรมะรู้แจ้งทําความเข้าใจให้เกิดขึ้นได้สําเร็จประโยชน์ของมันแต่คือถ้าจําไว้ในสมองเฉยแต่ใจนั้นยังชุ่มอยู่ด้วยราคาโตสะโมหะมีราคาโตสะโมหะกลุ่มรวมใช่ไหม ว่ามีความจําได้จําดีเรารู้ธรรมะหมดข้อต่างๆพระไอราคาโตสะโมหะหรือว่าตัณหาวิชาที่มันปิดกั้นจิตอยู่เนี่ยไม่สามารถน้อมธรรมะเข้ามาได้ไอ้ตรงนี้แหละมันจึงเป็นพิษได้เพราะว่าพิษของมันเกิอวิชาที่ปกปิดห่อหุ้มใจของเรามีตัณหามีกิเละเกิดขึ้นแล้วมันไปโดนกับอะไรต้านฟังอันเนี้ยมันกลายเป็นงูพิษได้หมดมันเป็นพิษที่จะมาทำร้ายจิตใจเราได้หมดเพราะว่าพิษเกิดจากราคาโตสะโมหะ กิจากิเลสตถาวิชาตรงนี้เพราะฉะนั้นความรู้ความเรียนที่เราเรียนเรารู้เข้าไปเนี่ยอาจจะกลายเป็นงูผิดได้ถ้าบอกว่ามีกิเลสตถาวิชาชุ่มอยู่ในใจจริงๆแล้วท่านฟังธรรมะเนี่ยเป็นสิ่งที่จะช่วยคลายกิเลสตถาวิชานี้แต่ถ้าบอกว่าไม่น้อมเข้ามาสู่ใจไม่มีศรัทธาเราเรียนไปจําได้อยู่แต่ว่ากิเลสตถาวิชานั้นทําให้อีความจําได้ไความรู้ตรงนั้นกลายเป็นงูผิดไปแต่พระเจ้าจึงพูดถึงคาหนึ่งที่เรียกว่า ปริยัติที่ไม่เป็นงูพิษแต่จะทํำยังไงความรู้ที่เราเรียนรู้จําได้อยู่ในหลืบสมองนั้นจะไม่เป็นงูพิษที่จะมาทําร้ายเราแต่ก็คือต้องเข้าใจให้ถูกทาง น, นั่นเองเข้าใจให้ถึงแก่นคําสอนให้ดีให้ได้แตการที่เข้าไปในใจนี่จะเป็นเรื่องใหญ่แตะไม่ใช่จําไว้อยู่เฉพาะในสมองเช่นการที่เรามาพูดคุยในหมวดธรรมะข้อต่างๆข้อนั้นข้อ น, นี้ทุกจ่าได้บัญญัติประกศาศอไว้ จะเป็นการช่วยที่ทําให้เข้าถึงความหมายในยะต่างๆความหมายที่ลึกซึ้งของธรรมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พระองค์เตือนเอาไว้แ ล, แล้วก็สนับสนุนในการที่จะให้เหล่าผู้ฟังคําสอนเหล่าผู้เดินตามเนี่ยได้ทวนถามสอบถามแก่กันและกันเพื่อให้เข้าใจความหมายถึงในยะที่ซ่อนอยู่ต่างๆไม่กลายเป็นงูพิษไปและความรู้ที่เกิดขึ้นนึงก็จะรู้เข้าไปถึงใจด้วยวันนี้ก็จะให้พูดถึงหมดธรรมะหนึ่งซึ่งว่า อันนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้ประกาศเอาไว้ว่าเ ป, เป็นข้อเป็นข้อหรืออย่างไรแต่ว่ามันสะกิดใจข้าพเจ้าจากบทคําพูดสุดท้ายปจัจจิมวาจาที่หลายๆท่านก็คงจะจําได้ก่อนที่พุทธเจ้าจะบริลุนิพพานนอนตะแคงเบื้องขวาอยู่ระหว่างต้นศาละคู่แต่ตอนนั้นก็เวลาใกล้ที่จะจวนรุ่งขึ้นแล้วได้พูดไว้เป็นคําสุดท้ายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดา ผู้เดอทั้งหลายจงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาเทเถิดความไม่ประมาทเป็นคําพูดสุดท้ายที่พระเจ้าได้พูดทิ้งเอาไว้ให้ความไม่ประมาทเป็นอย่างไรเราเคยพูดกันไปในราการบ้างแต่พระเจ้าก็ลองคิดดูว่าเอ๊ะแล้วอะไรล่ะจะทําให้ความประมาทมันเกิดขึ้นได้อะไรเป็นเหตุอะไรเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทแต่พอมาใกล้กรวนดูก็พบว่าพระจ้าก็พูดทิ้งเอาไว้ตรงนั้นทิ้งเอาไว้ตรงนี้แต่เช่นพูดถึงว่า าการเล่นการพนันเป็นธรรมันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทการดื่มสุราเมรัยเป็นธรรมันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทวันนี้จึงรวบรวมเรื่องของที่ตั้งแห่งความประมาทมาให้ท่านฟังๆกันทําความเข้าใจนิดนึงว่าเจ้าความประมาทเนี่ยมันก็ตรงข้ามกับสติความไม่ประมาทก็เหมือนกับสตินัคือมันจะอยู่คั่วตรงข้ามกันเลยแต่ถ้าเราพูดถึงความประมาทชนิดร้อเซเต็มที่สุดหน่วง อยู่มุมข้างซ้ายความมีสติเต็มที่สมบูรณ์ร่ำอยู่มุมข้างขวาในอยู่คนละขั้วกัน 100% อยู่ซ้ายคือเจ้าความประมาทร้อเอยู่ขวาคือเจ้าสติแทีนี้ที่ตั้งแห่งสติก็มี น, น, นั้นคืออะไรเรบฟังกันรายการกันมาทั้งหลา้องฟังต้องตอบได้ละที่ตั้งแห่งสติคืออะไรคือสติปัฏฐาน4ในสติปัฏฐาน4อย่างเป็นที่ตั้งที่จะไม่เกิดความระลึกชอบ เป็นที่ตั้งที่ทำให้เกิดการระลึกได้เป็นที่ตั้งของสติในะีอย่างนี้ถ้าเราจะแยกแยะออกไปอีกทาไมถึงสติปฐาน4ี่นะแยกแยะเอาไปอีกที่ทําให้เกิดการระลึกชอบการระลึกชอบคือสมาสติเกิดขึ้นได้เนี่ยโรุจาก็บอกถึงวิธีการปฏิบัติไว้นุสติ10บ้างอาณาปานสติบ้างพุทธานุสติบ้างธรรมานุสติสังกานุสติสีลานุสติอุปสมานุสติจาคานุสติต่างๆเด่นทั้งหมด10อย่างด้วยกัน ซึ่งมันจะรวมกันอยู่ในนี้แหละสติปานสี่ในแยก ว, วิธีการปฏิบัติได้10อย่างนั่นคือด้านขวานั่นคือสิ่งที่เจ้าชักชวนให้ดําเนินเอาไว้นั่นคือเรื่องของสติแล้วเจ้าที่ตั้งแห่งความประมาทก็มีแต่ก็พระเจ้าได้วรวบรวมมาแต่ที่เป็นบทเพียนชนะที่พูดไว้ชัดเจนชัดเจนเลยเนี่ยก็มีอยู่2อย่างแต่พูดถึงธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคือการดืม่มสุราเมีไรแต่พูดไปชัดเจน คนที่ดื่มสุราไม่อะไรนะจะมีความประมาทเกิดขึ้นได้ตามความเข้าใจกับคาว่าที่ตั้งนิดหนึ่งแตนะ่คำว่าที่ตั้งแห่งความประมาทหรือว่าที่ตั้งแห่งอะไรก็แล้วแต่ที่ตั้งแห่งความเกียดคร้านที่ตั้งแห่งความเพียนมันจะเป็นตรงนี้ก็คือว่าสิ่งนั้นอาจจะยังไม่ได้เกิดเลยทันทีแต่ว่ามันเป็นที่ตั้งได้แต่เช่นเรื่องของสุรามันก็อาจจะถึงว่าโอ้ผมก็กินนิดนิดหน่อยหน่อยนะไม่เมาหรอกแล้วก็แบบ ยังมีสติควบคุมตัวเองอยู่ได้อันนี้ก็ใช่อยู่อันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้อย่างไรก็ตามไอ้คำว่าที่ตั้งเนี่ยหมายความว่าความประมาทจะเกิดขึ้นได้ที่นี่แต่มันอาจจะยังไม่เกิดตอนนั้นแต่จรมีข้อหนึ่งที่พระเจ้าได้ตรัสเอาไว้ในเรื่องของความเป็นมงคลใช่ไหมที่บอกว่าการสําสรวมจากการดื่มน้ําเมาเนี่ยเป็นมงคลอย่างยิ่งในขณะที่พูดเอาไว้ในเรื่องของศีล5้าว่าให้เป็นผู้งดเว้น จากธรรมอันเป็นที่ตั้งความประมาทคือการดื่มสุราไม่ไรสองอันเนี่ยเหมือนจะกัดกันเอาทไมอัน1บอกให้งดเบนอันนึงบอกให้สำรวมจากการดื่มน้ำเมาแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาวิเคราะห์ในรูปศัพท์ในความหมายเบื้องลึกแล้วมันจะสอดคล้องกันและตรงที่ว่าให้สำรวมจากการดื่มน้ำเมานัคือจากการดื่มน้ำเมาท่านฟังเข้าใจไหมว่าไม่ใช่สำรวมในตอนที่ดื่มนะแต่สำรวมให้ไม่ให้ผลเนื่อที่มันจะเกิดจากการดื่มสุรา นั่คือความประมาทเกิดขึ้นได้แต่มราจะสอดคล้องกันตรงนี้แต่คําว่าสํารวมจากการดื่มน้ําเมาเนี่ยอะไรหล่ะจะเป็นผลจากการดื่มน้าเมาอะไรจะเป็นผลจากการดื่มสุราความประมาทไงเพราะงั้นคุณต้องระวังตรงนั้นเพราะงั้นการสํารวมระวังจากผลที่จะเกิดขึ้นจากการดื่มน้ําเมาที่จะเป็นมงคลเพราะฉะนั้นการที่งดเว้นมันดีที่สุดแต่ไม่ตั้งอยู่ตรงนั้นเห็นเช่นคนที่เล่นหวยนเล่นหวยเป็นการพนันอย่างหนึ่งนะเพราะงั้นคนที่เล่นการพนันไม่ว่าจะเป็น เล่นหวยซื้อโรตเตอรี่บนดินใต้ดินก็แล้วแต่การบริหในรูปแบบต่างๆที่เป็นไพ่เป็นบัตรเป็นเบอร์เป็นลักษณะการบรินหารทางสินแต่ซึ่งบางคนก็ใช้ข้ออ้างว่าเออเป็นการลงทุนใช้เงินนิดหน่อยเป็นการลงทุนเพื่อให้ได้ผลเพื่อให้เป็นได้มีผลตอบแทนลักษณะนั้นแล้วก็อาจจะทําได้อาจจะทําได้แต่แต่ว่านั่นจะทําให้เกิดความประมาทขึ้นได้เหมือนกันเพราะว่าเวลาที่ความประมาทจะเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นตรงนี้แต่มันอสิ่งไม่เกิดตอนนี้ ตอนดื่มจิบแรกตอนแทงงวดแรกความประมาจจะยังไม่เกิดขึ้นเพราะยังมีการสำรวมอยู่เรายังมีการระวังอยู่แต่ถ้ามันจะเกิดมันจะเกิดตรงนี้แหละเหมือนจะเกิดตรงนี้แหละที่ว่าคุณดื่มแก้วที่2แก้วที่3ามไปเรื่อยๆมันจะเกิดตรงนี้แหละที่คุณแทงตาที่หนึ่งตาที่2ตาที่3ามไปเรื่อยๆมันจะเกิดตรงนั้นหละน่ะเดีวมันจะเข้าค่อยๆคร อ, อ, อบงำคลืบคลานก้นมาความประมาชนะมันเป็นรากเดียวกับอวิชชาตัญหาพอมันค่อยๆคลืบคลานคลานเข้ามาแล้วเนี่ย เราเจะออกยา ก, กเราเคยเปรียบเทียบกับเหวที่มันค่อยๆ ล, ล, ลาดลึกลาดลึกลาดลึกลงไปแรกๆก็อาจจะเรียบดีอยู่แตามุม90องศากับพื้นโลกแต่พอเดินไปเดินไปมันค่อยลาดลงลาดลงลาดล ง, ลดลงจนกระทั่งบางทีเราถลายลงไปขึ้นไม่ได้แลยนี่ยากจรนี้แั่ น, นี่คือที่ตั้งแห่งความประมาทแต่คำว่าที่ตั้งเนี่ยก็ต้องมาพิจารณาฝั่งตรงข้ามด้วยนั่นคือเรื่องดีนใน น, นี้คือเรื่องของสติอย่างสติปตัฏฐาน4กายเวทนาจิตธรรม ก็เป็นที่ตั้งแห่งการระลึกถึงเรื่องที่ตั้งแห่งการระลึกถึงที่ตั้งของสต <c oughs> ิก็ไม่ใช่ว่าสติจะเกิดขึ้นเลยแต่ถ้าสติจะเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นตรงนี้ไม่ในกายก็ในเวทนาหรือในจิตหรือในธรรมแต่กุฎาเ จ, จ้าเอาหน้าปัญสนิสติเป็นคเครื่องใช้กุฎาจจเจ้าอพุทธานุสติเป็นเครื่องมือคุณฎาเ จ, จ้าเอาศีลานุสติเป็นแนวทางปฏิบัติก็ได้ตรงนั้นถ้าสติจะเกิดจะเกิดในที่นี้แต่กุฎอาจจะยังไม่เกิดเลย ตอ น, นี่คุณสังเกตลงไม่ใช่ครั้งแรกครั้งที่2อาจจะทําไม่เป็นทำไม่ได้แต่ถ้ามันจะเกิดมันจะเกิดตรงนี้เพราะนั่นคือว่าที่ตั้งแห่งความประมาทก็ตามที่ตั้งแห่งสติก็ตามที่ตั้งแห่งความเพียรก็ตามที่ตั้งแห่งความเกียดกลั่นก็ตามหมวดหมู่ธรรมะพวกเนี้ยที่พระเจ้ารวมรวมมาไว้แล้วบอกนี้เป็นที่ตั้งที่ตั้งเนี่ยมันก็จะค่อยคืบคลานมาจช่นว่าถ้าเราทําตัวแบบอย่างนี้ความขี้เกียดก็จะค่อยคืบคลานมาอาจจะยังไม่ขี้เกียดเลยแต่เช่นคนที่กินจุคนที่อ่อนแอพวกนี้ จะเป็นที่ต้งแห่ความขี้เกียจได้ถ้ามันจะยังไม่มาเลยแต่ว่าถ้ามันจะมามันจะมาตรงนี้ในทางตรงกันข้ามแต่คนที่รับประทานอาหารพอประมาณหรือว่าประทานอาหารแล้วยังมีช่องว่างเหลืออยู่ในตองตรงนี้จะเป็นที่ตั้งแห่งความขยันเให้มันไปเกี่ยวข้องไงทําแล้วยังไม่เห็นวุ่นเกอะไรเนี่ก็ทําไปทําไปแต่ถ้าความขยันความเพียรมันจะเกิดนั้นมันจะเกิดตรงนี้เนกรณีการที่สองมันอาจจะยังไม่เกิดเที่ในเรื่องของความประมาทถ้าเวลามันจะเกิดความประมาทขึ้น มันก็จะเกิดตรงที่ตั้งพวกนี้นต่นอกจากสุรานอกจากการพนันซึ่งแน่นอนเรื่องของสุราเนี่ยมีโทษมากเต็มฟังนอกจากจะเป็นที่แต่งความประมาทแล้วยังเป็นบ่อเกิดแห่งโรคก่อการทะเลาะวิวาทเสื่อมทรัพย์อันผู้อื่นเห็นได้เองเป็นเหตุเสียชื่อเสียงเป็นเหตุให้มืรู้จักละอายเป็นเหตุทอนกาลังปัญญาเไ็่เห็นจะทะเลาะกับใครเลยดื่มแก้วแรก่ไม่เห็นจะไม่ละอายเลยก็ยังมีสติสมบูรณ์อยู่ตอนดื่มจิบที่2 ก็ยังไม่ได้เสียทรัพอะไรมากนิดหน่อยๆท่านเองตอนแก้วแรกจิตที่1จิตที่สองแต่ตรงนี้แหละทำฟังการประกอบเนืองๆผู้ชอบใช้คํานี้นนะั้ทําอยู่บ่อยๆทําอยู่อย่างต่อเนื่องนะจะเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทแนะความเสื่อมทรัพย์จะปรากฏขึ้นได้และววิวาเกิดโรภคภัยไข้เจ็บไม่รู้จักละอายเป็นเหตุตอนกําลังปัญญาเหล่า น, นี้คือจะเป็นโทษที่จะเกิดขึ้นจากการดื่มน้ําเหมาเพราะมันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทการพระทานก็เหมือนการทำฟัง แต่ผู้ชนะก็ย่อมก่อเวรผู้แพ้ย่อมเสียด้ยทรัพย์ที่เสียไปความเสื่อมทรัพย์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันถ้อยคําของคนที่เล่นการันตนไปพูดกับนายเขาก็ไม่ฟังไม่เชื่อถูกคนอื่นมิีประมาทเอา้าแต่ว่าแทงบอลแบบว่านิดนิดหน่อยๆใช่ไหมเจ้ามือเขาไม่เห็นจะเสียอะไรเขาก็ยินดีจ่ายนไม่เห็นก่อเวรอะไรเลยอนี่มันตาแรกหรอกท่านหวังนะหรือว่าความเสื่อมทรัพย์ทําฉันก็ยังชนะนี่ ในยังได้ทรัพย์ไหนบอกเสื่อมทรัพย์ไม่มีนี่ก็เป็มันต่างที่สองตอนนั้นเองแต่ถ้าเล่นไปการประกอบหนึ่งหนึ่งผู้ชายจะแบบนี้แต่การตามประกอบหนึ่งหนึ่งซึ่งการพนันอันเป็นที่ใต้แห่งความประมาทเนี่ยมันจะนําความประมาทไม่ได้คุณทำไปบ่อยด้วยสิถ้งคนจะแพ้ ก, ก็เสียดาทรัพย์คนชนะก็ก่อเบ น, นัวนี้เสื่อมทรัพย์นี่ก็เสื่อมแน่นอนล่ะไหนใครว่าเจ้ามือมันจะเจงมีแต่เจ้ามือจะรวยไอ้คนที่แทงนี่มีแต่จะเจ๊ง แต่แงไปแทงไปถูกมันครอบงำแล้วเนี่ยจำฟังมันสละดออยากมากความประมาทมันค่อยคอืบคลานคืบคลานมาแล้วเราดูมุมซ้ายหคือเจ้าความประมาทร้อยเมุมขวาคือเจ้าสติร้อยเนี่มันจะค่อยๆลดค่อยๆเพิ่มกันหมายความว่าถ้าเรามีสติร้อสมบูรณ์พร้อมร้อยเนี่ยนะในขณะที่ถ้ามัน 90% มันก็จะเลือ่อไปทางซ้ายนหนึ่งแต่มันก็จะค่อยๆลดมาทางซ้ายจนกระทั่งถึงศจุดที่มีความประมาท ในขณะที่เจ้าความประมาทนั้นก็จะค่อยๆลดมาถ้าเราเดินมาทางเจ้าความที่มีสติใช่ไหมมันก็จะลดเก้าดสิจนกระทั่งความประมาทนั้นไม่มีเลยใ น, นเมื่อมีสติร้อยเเพรา ะ, ะนั้นความประมาทกับสติเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกันตรงข้ามกันในลักษณะ ท, ที่ว่ามันอาจจะอยู่ด้วยกันก็ได้อย่างคนที่ดื่มสุราเล่นการพนันอย่างที่บอกไปแล้ว ก, ก็อาจจะมีสติอยู่บ้างในตอนที่เล่นๆอยู่แต่พอเล่นไปเล่นไปดื่มไปดื่มไป มันก็ค่อยๆลดไปเลื่อนไปทางซ้ายจิตของเขาก็จะค่อยเลื่อนไปทางซ้ายใช่ไหมมีสติดลดลงมีความประมาทมากขึ้นมากขึ้นเ น, นจกกนกระทั่งถึงประมาทสุดๆเลยละ่ะมันก็จะพาคุณไปผิดศีลหนังค่าสัตรูรักษาบวิบทในกามพาไปลงต่ำจกกนกระทั่งไปถึงนรกกาหนดในาชาญเปรตวิสัยนึงเนี่ยถ้าไปทางต่ําไปทางความประมาทโดยมีที่ตั้งของมันคือเจ้าสุราในการดื่มน้ําเมาสุคือสุราและมีไรการพ น, นันเนี่ยเป็นที่ตั้งของความประมาท นอกจากนี้มีอะไรอีกหลังเกิดคบเพื่อนชั่วทำฟังบางทีคบเพื่อนไม่ดีดูดูมันก็ดีนะแต่งตัวมันก็เรียบร้อยพูดจาเขาสุภาพแต่ถ้ามันเป็นคนไม่ดีเป็นคนชั่วดูหนอกนอกจะดูยากนิดหนึง่งต้องดูที่การกระทำดูที่การพูดดูที่การคิดว่าเขามากักจะคิดพูดทําสิ่งที่ดีสิ่งที่งามหรือไม่แต่ถ้าเขาคิดพูดทําสิ่งที่ไม่ดีไม่งามเราจะรู้ได้ละ ว, ว่ามันเป็นเครื่องหมายของคนไม่ดีมันจะพาไปทางต่ํา มันจะพาเราไปตั้งอยู่ในธรรมนเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทได้แต่ ä. พอเราตั้งอยู่ในธรรมนป็นที่ตั้งแห่งความประมาทแล้วความประมาทก็จะเกิดขึ้นได้นอกจากการดื่มสุรานอกจากการพนันนอกจากการครบเพื่อนชั่วอบายมุกต่างๆท่านผู้ฟังเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทในทั้งสิน้นอบายมุกก็มีน้ำเมาน้ำว่าไปแล้วการพนันใช่ไหมเราก็ยังรวมถึงการที่เที่ยวไปตามตรกตอกซอยในเวลากลางคืนแต่ตรงนี้จะเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทได้ ที่อกโขจรนเไปถึงมันก็จะมีความประมาทความร่วงภรรยาผู้อื่นการโกหกการดื่มน้ำเมาอยู่ที่นั่นแต่เราไปที่นั่นเราก็มีแนวโน้มว่าจะมีความประมาทเกิดขึ้นในใจได้แต่นอกจากนั้นยังมีความเกียดคร้านแต่ความเกลียดคร้านเป็นที่แท้งแห่งความประมาทก็ได้แต่ที่แท้แห่งความเกลียดคร้านก็จะนําความประมาทความไม่ดีอกุศลธรรมต่างๆความเกลียดคร้านนั้นตรงกันข้ามกับความเพียนใช่ไหมความเพี่ยนคือการเอาอกุศลออก เอากุศลใส่เข้าไปป้องกันอกุศลไม่ให้มันเข้ามาทํากุศลธรรมที่มันมีอยู่แล้วให้มันดีมากขึ้นแต่ถ้าเกียรคร้านเหล่านี้เกิดขึ้นไม่ได้เลยอกุศลใหม่จะเข้าก็เข้าไม่ได้เพราะเกียรคร้านในอกุศลที่มันมีอยู่จะออกก็ออกไม่ได้เพราะขี้เกียจจะพัฒนากุศลที่มีอยู่เดิมก็พัฒนาไม่ได้เพราะไม่มีกําลังใจทําจะป้องกันอกุศลธรรมใหม่ไม่ให้มันเกิดขึ้นก็ทําไม่ได้เพราะจิตไม่มีกําลังไม่มีกําลังใจไม่มีความเปลี่ยนเป็นคนเกียร์คร้านอย่างเงี้ย เพราะการที่เราเกลียดกานทางกายทางวาจาข้างนอกเกลียดกานในการขยันทํางานต่างๆมันก็ทําให้ใจเราอ่อนแอไม่มีกําลังอันนี้เกิดขึ้นได้เพราะนั้นเรื่องอับายามุกทั้ง6อย่างแต่มีเรื่องน้ําเมาเรื่องการพนันการเที่ยวตามตรอกซอกซอยในเวลากลางคืนการไปในชุมชนแห่งความเมาการคบเพื่อนชั่วความเกลียด้ารพวกนี้หอย่างนี้เรารวมถึงเรื่องการพนันด้วยเนี่ยนะก็จะเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทได้ แต่นอกจากนี้ยังมีแง่มุมหนึ่งตำแฝงที่พระเจ้าได้เคยตรัสไว้ตอนยังเป็นโพธิสัตว์พราะตอนที่พระองค์ใช้ชีวิตอยู่เนี่ยใช้ชีวิตอยู่ในวังในรั้วในวังแต่มีความสุขอยู่ทั่ ว, วไปและการเนบีมีอยู่ด้วยกรารมคุณมีความสะดวกสบายต่างๆตัว น, นี้จะเป็นที่ใต้งความประมาทได้แต่เพราะว่าคนมันสบา ย, ยดูยอย่างสมัยปัจจุบันแต่เทคโนโล ย, ยีงต่างมากมาย โทรศัพท์มือถือระบบสื่อสารดาวเทียมตู้เยน็นเครื่องใช้ไฟฟ้ า, ารถยนต์อีกนึงอีกจิบารถาที่จะนําความสะดวกสบายมาให้กับมวลมนุษยชาติแต่ดูแล้วเป็นยังไงแต่นะพอเรามีความสะดวกสบายมากขึ้นเฮ้ยคดีความก็มากขึ้นไงคดีความในสาลก็มากขึ้นไงคนเบียดเบียนกันก็มากขึ้นไงมลพิษก็มากขึ้นไงปัญหาโรคปลยกระเจ็บก็มากขึ้นตามไหเนี่ยจำเป็นความสะดวกสบายนะความสวยความงาม มันจะเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทได้แต่ทำให้คนเพลิดเพลินลุ่มโรงแล้วมันก็ประมาท ม, วมาัวเมาเพราะฉะนั้นอย่างสมัยก่อนที่ไม่ได้มีเครื่องอำนวยความสะดวกอะไรมากเนี่ยคนเนี่ยกลับทำความดีกันเพราะามันตรงกันข้ามกันไงแตการมีสิ่งที่อำนวยความสะดวกมากลกลับทำให้จิตใจนั้นประมาทแต่ก็ไม่ใช่หมายความว่าจะไม่มีสตินตั่นต้อวังแต่ถ้ามันอยู่ตรงกลางอ่ะจำได้ไหมถ้าประมาทอยู่ด้านซ้ายร้อสติอยู่ข้างขวาร้อยเปอต์ตรงกลางก็อาจจะมีความประมาทบ้าง มีสติบ้างแต่มันอยู่ที่ว่าคุณอยู่ตรงไหนมากกว่ากันผลอาการที่เรามีชีวิตอยู่ด้วยความสบายบางทีบางทีมันอาจจะเป็นที่แต่งความประมาทได้นอกจากนี้ใน ต, ตอนที่พรงยังเป็นหนุ่มในอยู่ในปฐมวัยสมดุลด้วยความหนุ่มแน่นที่ยังอยู่ในช่วงปฐมวัยก็จะทําให้เกิดความประมาทได้คนนี่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวเดูแต่ใช้ชีวิตยัยงไงอายุ15ยกหยกสิย่นย่น นะมีความเปลิดเปลินความโมม่มาจะเที่ยวเล่นอาจจะมีความประมาทไดนะ้เราเห็นอยู่แต่พอเริ่ม50ยกยกหกสิบยอนยอนมันเจ็บตรงนั้นเจ็บตรงนี้อ้ามันเริ่มละเริ่มที่จะประคับประคองตัวเองไม่ให้มีความประมาทมัวเมาเราเห็นได้ชัดเจนตัวเราเองดูแต่ตอนช่วงต้นๆ้นของชีวิตเป็นยังไงยังไม่ได้ศึกษาธรรมะไม่รู้ธรรมะมันยังประมาทมัวเมาอยู่ตอนที่ยังเรียนหนังสือตอนที่ยังอยู่ในช่วงต้นของชีวิตแตนะ่พออายุมากขึ้นมากขึ้นเริ่มจะ รู้จักตรมะศึกษาธรรมแะแต่ก็เพราะว่าวุฒิภาวะที่มันเพิ่มขึ้นนั่นแหละแต่ประเด็นในไอ้ความที่ยังไม่มีวุฒิภาวะอย่างอายุน้อยอยู่การที่เราอยู่ในวัยหนุ่มสาวอาจจะทําให้มีความประมาทเกิดขึ้นได้แตงเช่นในการความไม่มีโรคหรการที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีอยู่ยังไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอันเนี่ยตัวดีแต่ที่ทำให้คนตั้งอยู่ในความประมาทได้ก็ยังไม่เจ็บไม่ไข้จะไปหาหมอทําไมก็มยังไม่ป่วยไม่เจ็บทําไมจะต้องดูแลสุขภาพมันอันตรายตรง น, นี้ไม่รู้พูดได้ไง ่ว่ายังไม่เจ็บไม่ไข้เราไม่ตทนดูแลสุขภาพก็เพราะว่าคุณมีสุขภาพดีอยู่เนี่ยจะไม่ถึงต้นดูแลแล้วมันหายไปแล้วจะไปไปดูแลอะไรมันไม่มีให้ดูแลแล้วเพราะฉะนั้นไอ้ความที่เรายังไม่มีโรคเนี่ยมันอาจจะเป็นที่ใต้แห่งความประมาทได้เราจะแก้อ ย, อยังไงท่านฟังเนีเมื่อมีที่ใต้แห่งความราประมาทบางที่ ang, บางอย่างเราหลีกเลี่ยงไม่ได้คนที่อยู่ในวัยหนุ่มสาวอย่างเงี้ยหลีกเลี่ยงไม่ไดก้ก็มันอยู่แล้วนี่คนที่ไม่มีโรคสุขภาพแข็งแรงทำไมพระภัยบุญบอกว่าเป็นที่ใต้แห่งความประมาทได้ แต่ฉันก็ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรนี่บ้านฉันมีแต่นะร่ำรวยเพราะว่าบุญกุศลที่ทํามาแล้วก็มีชีวิตอยู่อย่างสุขสบายเอาเราจะทํำยังไงทีนี้เราจะทํำยังไงในเมื่อถ้าเราอยู่ในสถานการณ์นั้นๆสถานการณ์ที่เป็นที่ใต้งความประมาทแต่ไม่อยากให้มีความประมาทเกิดขึ้นจะแก้อย่างไรซึ่งสถานการณ์บา ง, า, งางอย่างที่ว่าว่ามันลีกเลี่ยงไม่ได้หนาะไม่ีวิธีแก้อยู่ท่านผู้ฟังเอาไล่มาอีกครั้งหนึ่งหนาะทําอันเป็นที่ใตแห่งความประมาท คือสุราอันนี้แน่นอนบทเพียเ่ยนชนะัดเจนถ้ามันเป็นที่ตั้งความประมาทคือการผนันถ้ามันเป็นที่ตั้งความประมาคคือการคบเพื่อนจั่วในการที่มีอบายมุกเสพอบายมุกต่างๆนี่คือข้อที่4ข้อที่5คือเรื่องของความสะดวกสบายต่างๆในการที่เรามีชีวิตอยู่อย่างเอิบพิมพียบร้อม น, น, นี้เป็นที่ตั้งความประมาคได้ข้อที่6คือเรื่องของความหนุ่มแน่นยังหนุ่มยังสาวยังสวยยังงามอันนี้ข้อที่6ส่วนข้อที่เั็นคือความไม่มีโรค ความที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีเรล่านี้เหล่านี้จะทําให้เป็นที่ตัองอ้งแห่งความประมาทได้เราจะทํายังไงในเมื่อความประมาทกับสติมเป็นสิ่งตรงข้ามกันเราจะทําอย่างไรให้เราออกจากความประมาทนั้นได้ที่ตั้งเนี่ยไม่ใช่หมายความมันจะต้องมีอะไรทันทีมันจะค่อยใช้เวลาให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตอนที่มันรอเวลากว่าที่ความประมาทจะเกิดตรงนี้เราฉวยโอกาสเลยฉวยโอกาสเอาเรื่องของสติใส่เข้าไปเอาที่ตัง้งแพงสติใส่เข้าไปตรงนั้นแต่เพราะมันยังมีช่องว่างอยู่ใช่ไหม เราช่วยโอกาสตรนั้นในที่ทแห่งความประมาทมีอยู่เราช่วยอการตอนที่ความประมาทยังไม่เกิดขึ้นเล ะ, ค, ะคอยช่องตรงนี้ดูช่องให้ดีเราใส่ที่ตั้งแห่สติเข้าไปอย่างเช่นเรื่องของความไม่มีโรคในการที่ร่างกายสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีตัวนี้อาจจะเกิดความประมาทขึ้นได้เราก็เอาทํามันเป็นที่ตั้งหสติใส่เข้าไปแล้วือการพิจารณาถึงความตายคือมรณสตินั่นเองวรณสติคือการตั้งสติระลึกไว้ถึงความตายสติจะเกิดขึ้นได้ ในขณะที Aunque, Then, to, or, ่เราไม่ม <ương> ีโรคหรือว่าหม้ความหนุ่มณความหนุ่มคุณก็พ <huh ums> ิจารณาถึงความแก่เราพิจารณาถึงความแก่แก่งอมผมงอกฟันหลุดตัวหนังเหี่ยวเป็นจุดๆนะมันก็เป็นธารมที่เราคลายความมัวเมาในความหนุ่มได้เราจะคลายความมัวเมาในความไม่มีโรคคลายความมัวเมาในชีวิตก็พิจารณาถึงความตายคลายความมัวเมาในความหนุ่มความหนุ่มมันเมาได้เราก็พิจารณาถึงความแก่ จะคลายความมัวเมาในชีวิตที่เป็นสุขเออบินเพียบพร้อมมีเครื่องสะดวกสบายทุกอย่างก็ให้พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในการที่สิ่งนั้นเนี่ยมันไม่เที่ยงเช่นกุณก็าอาน้ําบดหนักใช่ไหมถ่ายหนักเรียบรย้อยกดน้ําไม่ไหลโอโ้โหมันเป็นทุกข์มาก น, นี่คือความที่ไม่เที่ยงของมันหรือคุณต้องการไปทุรครีบด่วนอะไรสตาร์ทรถไม่ติดนั่นเป็นความไม่เที่ยงมากๆในที่มันเกิดขึ้นได้เราพิจารณาเห็นตรงนี้เราจะคลายความมัวเมาในความสะดวกสบายในชีวิตตรงนั้น นะเรื่องอบายมุขคบเพื่อนชั่วการพนนันสุราเลิกไปเลยไม่ต้องทํามันนะหรือว่าเราเห็นเถียววัตุก็ได้กนะารที่เราเห็นเททดียววัตุคือความเกิดนะคนเกิดอเราเห็นเราก็ไปยินดีเขาโอ้เกิดมาแล้วดีดนะีอันนั้นก็ยังชื่อว่ายัางประมาทมัวเมาอยู่นะนะเพราะว่าบางคนอยู่กับทุกข์ก็ไม่รู้ว่าอันนี้เป็นทุกข์อันนี้แหละคือความประมาทมัวเมาเช่นว่าตัวเองกินข้าวอร่อยก็ยังไม่รู้ว่าอันนี้เป็นทุกข์ แตเพราะามันไม่เคยพิจารณาเรื่องความไม่เที่ยงความที่จะเสื่อมไปขอให้เจ้าความสะดวสบายรสชาติอะไรต่างๆที่มันจะอร่อยตรงนั้นบางคนอยู่กับทุกแลก็ไม่เห็นมักไม่เห็นเส้นทางที่จ อ, อกได้อันนั้นก็เรียกว่ายังมีความประมาทอยู่ทุกแบบที่เป็นสุขเวทนาก็มีทุกแบบที่เป็นทุกขเวทนาก็มีถ้าเราไม่มีสติอันนั้นแหะจะเรียกว่าความประมาทเพราะฉะนั้นถ้าเบอกว่าเรามีสุขเวฏนากเกิดขึ้นในชีวิตเราเรามีความหนุ่ม เรามีความสาวเรืองมีความสวยเรื่งมีความสุขสบายรี่มีความไม่มีโรคอยู่ในชีวิตของเราเราก็ต้องตั้งสติเอาไว้ถ้าเรามีความแก่ใกล้ตายแล้วลำบากในชีวิตมีทุกขเวทนาต่างๆก็ต้องตั้งสติเอาไว้พชอบพูดถึงการที่ว่าเราอยู่แม้ในสุขเวทนาอยู่แม้ในทุกขเวทนาก็ต้องตั้งสติเอาไว้ตลอดถ้ามันเป็นที่ตั้งแห่งสติมีมากมายให้เราเลือกใช้ได้เปลื่ถ้าเราอยู่ในทรรมันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทต้องระวังเติมฟัง ให้เรียกเอาทำมันเป็นที่ตั้งแห่งสติมาใช้อยู่เป็นประจำสติเป็นสิ่งที่เราพูดเยอะแยะมากมายหลากหลายรูปแบบหลายแง่หลายหมุมเอาตรงนั้นแหละมาส่งไว้ในใจเราเห็นเทวทูตเห็นความเกิดให้มันเห็นจริงๆแต่ไม่ใช่เห็นความสุขตรงนั้นให้อย่างน้อยเห็นว่าเอยแม่ให้เราเกิดมาแต่ไม่ใช่ว่าไปเลี้ยงฉลองกันให้เห็นอย่างน้อยว่านี้เป็นเทวทูตเราจะไม่พ้นจากความเกิดไปได้ถ้าเหตุการณ์เกิดยังมีอยู่ให้รู้สึกตื่นตรงนี้ ให้รู้สึกถึงทางออกว่าเราจะทำยังไงให้เหตุของการเกิดนั้นมันจะดับไปได้แต่เรียกว่าเป็นพูดที่ไม่ประมาทในคนแก่ก็ด้วยเหมือนกันคนเจ็บคนตายหรือว่าสมณะเห็นพระนี่เขเป็นเตียวปทูตเห็นคนที่ถูกลงโทษถูกจับได้ในคดีความต่างๆแล้วถูกลงโทษแต่พวกนี้ก็เป็นเตียวปทูตได้ความประมาทธรรมฟังเป็นหนทางไปสู่ความตายทําไมถึงตายอ่ะก็เพราะมันเกิดนะ่ะสิมันถึงตายความประมาทเป็นหนทางไปสู่ความตาย เพราะมันเกิดมันจึงตายถ้าเราเห็นคนเกิดแล้วเราไม่คิดถึงความตายนั่นคือคุณประมาทแล้วถ้าคุณอยู่ในความหนุ่มสาวยังสาวยังสวยยังหนุ่มยังหล่ออยู่แล้วไม่คิดถึงความแก่นั่นคือคุณประมาทแล้วถ้าคุณยังมีความไม่มีโรคร่างกายยังสุขสบายดีอยู่แล้วไม่ได้พิจารณาถึงความเจ็บไข้ไม่ได้พิจารณาถึงความตายเพราะนั้นเราพิจารณาเห็นถึงความแก่ความเจ็บความตายอยู่หนึ่งๆทำฟัง สิ่งที่เราพิจารณาอยู่เนื่งๆแล้วจะไม่เป็นผู้ไม่ประมาทแต่การพิจารณาอยู่เนื่งๆว่าเราเป็นผู้มีความแก่เป็นธรรมดาจะไม่อรอดพ้นความแก่ไปได้เราเป็นผู้มีความตายเป็นธรรมดาจะไม่อรอดพ้นความตายไปได้เราเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนพิจารณาอยู่เนื่งๆอย่างนี้เราจะเป็นผู้ไม่ประมาทได้เห็นเดบุตูดก็ด้วยนะเดวุตูดทาให้เราเกิดความไม่ประมาทเตินฟังดูสิตามมาของพระเจ้าเนีย้ยบ ไ, ไหมแต่แม้แต่ชื่อ คืออริยสัจสเนี่ยขึ้นต้นคำแรกเลยคือทุกข์แล้วนี้นนคว่าทุกข์เนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราจะต้องไม่ประมาทแล้วมันจะต้องมีอะไรสักอย่างได้อย่างหนึ่งในชีวิตฉันมีแต่ความสุขแต่ทำไมพระเจ้าบอกทุกข์คุณให้สังเกตดูให้ดีแม้แต่ชื่อก็ทําให้เราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทแล้วดูให้มันเห็นเห็นให้มันชัดเจนเราจะตั้งตัวในความไม่ประมาทได้เราจะเป็นผู้ที่มีสติอยู่ได้ให้เห็นอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะใดใดคุณอาจจะใช้ชีวิตแบบสุขสบาย เป็นคนที่ยังเป็นอยู่ในวัยหนุ่มสาวยังไม่มีโรคภัยแค่เจ็บใจใดตัวนี้จะทำให้เรามีที่ตั้งแห่งสติกเกิดขึ้นได้วันนี้กพระเจ้าพระมหาภัยบุญอภิปุนโนจากวัดปา่าหลวงไห่โศกก็ขอลาไปก่อนเจวยดับป่า